รูปยืนเดินนั่งนอนรูปหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ไม่จัดว่าเป็นรูปแท้รูปแท้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นแต่พวกนี้เป็นรูปแท้แรูปข้างเคียงเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนไม่จัดเป็นรูปแท้ในตำราบอกเอาไว้ทำวิปัสสนาไม่ได้่าไปดูรูปไม่ได้ไม่ได้จริง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 ตัวผู้รู้ก็ตัวผู้รู้ทำมาได้แต่เด็กทําสมถะทําลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งอะไรเงี้ยนี่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแต่ต่อไม่เป็นไม่รู้จะเดินปัญญาอย่างไงว่ไปอยู่แค่นั้นเองไปเจอครูบาอาจารย์ท่านสอดมาให้ไปดูจิตต่อเขาจะมาดูจิตมาดูจิตต้องอยู่ในร่างกาย ก็เห็นร่างกายเลยดูซิจิตอยู่ตรงไหนอยู่ในผมไหมในขนเล็บฟันหนังดนกระดูกไม่ไล่ไล่ไล่ไปได้วยสุดท้ายร่างกายก็แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งเพราะจินเป็นผู้รู้อยู่แล้ ว, mm. ลวพอไปดูกายเข้าจงใจมาดูกายนั้นก็เห็นกายแยกออกไปอยู่ต่างหาก mm. มาดูเวทนาก็เห็นเวทนาแยกออกไปอยู่ต่างหาก mm. มาดูสังขารความปรุงต่างๆของจิตก็แยกออกไปอยู่ต่างหากกระทั่งเรื่องราวที่คิดนะ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 อย่างปรับใจตัวเองนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพยายามจะทําอย่างนั้น ะ, นะพยายามจนสุดสติสุดปัญญาถึงตรงนั้ น, นถึงจะได้ของจริงแต่อาศัยที่เคยพยายามปฏิบัตินะมันเป็นการพัฒนาสติให้เร็วขึ้นสมาธิให้ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็มีสะสมไปเห็นรูปธรรมนามธรรมก็ทําทงานได้เองไอตรงที่เราจงใจปฏิบัติจงใจอยากทํานั่นแหละ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 ถ้าโงอกกว่านั้นนนั้ก็ไปทําสมาธิทําอะไรขึ้นมามันก็ดีเหมือนกันดีช่วงที่มีสมาธิอยู่สงบช่วงที่มีสมาธิอยู่สุขช่วงที่มีสมาธิอยู่มันเสื่อมแล้วก็หายไปอีกก็ต้องมาทําอีกนี่ก็แล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาบางคนก็อยากได้มาผล น, นิพพานก็เพราะว่ามันดีมันสุขมันสงบนั่นแหละนี่ตะเกียกตะกายนะหาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อย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 จิตผู้รู้ก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยเมื่อเห็นมีตรงไหนเลยที่มันจะถาวรได้นะจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตที่หมดแรงดิ้นนะจะดิ้นไปทําไมอ่ะดิ้นหาดีหาสุขหาสงบดิ้นยังไงก็ไม่มีมีก็มีชั่วคราวเดี๋ยวว่าหายไปอีกนี่จิตจะหยุดแรงดิน้นะหมดแรงดิ้นน ะ, ะจิต ท, ที่หมดแรงดิน้นเพราะว่าดิ้นมาสุดขีดแล้วนะสติก็สุดขีดแล้วสมาธิก็สุดขีดแล้วปัญญาก็สุดขีดแล้ว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 สติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญ า, า, ญญาบุญบารมีอะไรแก่รอบแล้วจิตอยุดความปรุงแต่งแล้วมันจะรวมข้ออับปนาสมาธิรวมเองทําไมมันรวมข้ออับปนาสมาธิได้เองเพราะว่าจิตไม่ไหลไปตามกามนะชาญมันจะเกิดเองโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องเวียนอยู่ในภพภพที่จิตเวียนอยู่ได้นะัมีสามภพเท่านั้นหนึ่งกามาวัจจะภพภพที่เวียนไปในกามคือหา อารมณ์เพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปเรื่อยพวกเราจิตหมุนอยู่ติ้วติ้ ว, วทางตาหูจมูกลิ้นกายนึกออกไหมอันนี้เราเรียกว่ากามาพบนะเรียกให้เต็มยศนะกามมาวัาจระภูมินะใจก็ไปเบียนอย่างเงี้ยถ้าหลุดออกจากการมาพบนะก็เข้าไปรูปประพบหรือรูปประภูมินะก็คือไปสงบอยู่กับการรู้รูป เช่น e รู้ลมหายใจแล้วจิตไม่เอาแล้วโลกข้างนอกอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เห็นจะมีสาระเลยจิตมารวมลงที่อารมณ์ภายในอันเดียวะอาจจะมารู้ลมหายใจอยู่อันเดียวรู้ร่างกายอยู่อันเดียวอะไรนี้มาเพ่งรูปอยู่อันเดียวเพ่งดวงกสินดวงนิมิตอยู่อันเดียวะจิตเพ่งรูปอยู่เรียกรูปประภูมินะถ้าจิตไม่อยู่ในกรมปภูมิไม่อยู่ในรูปประภูมิจิตก็ต้องเข้าอรูปประภูมินะ ทิ้งรูปไปแล้วไปอยู่กับ น, นามมาทำเช่นไปอยู่กับความว่างจิตอยู่ในความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรเลยงั้นที่เขาสอนภาวนาบางคนสอนภาวนาให้ไปอยู่ในความว่างนั้นเพี้ยนนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอรูปประภูมิเป็นภูมิอีกภูมิหนึ่งเป็นภพอีกภพหนึ่งเท่านั้นเองนี่ถ้าสติปัญญาเราพอนะเรารู้เลยจิตมันแสบสายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่ทุกขนะ์ จิตไม่แส่สายจิตไม่ส่สายจิตก็หลุดออกจากกาลมาภูมิเข้ารูปประภูมิหรือรูปประภูมิเข้าเองเลยเพราะงั้นอย่างพวกเราหัดเจริญสติไปเรื่อยพอศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาแก่รอบจิตจะหมดความอะไรหลงไหลรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าทั้งหลายมาดึงดูดจิตไหลไปไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นแหละชั่วขณะ จิตมันตั้งมั่นรู้ไหลเอาไว้ทุกเมืตั้งเด่นดวงจิตก็เข้าเข้าฌานอัตโนมัติเพราะงั้นถึงเราจะเจริญสติจเจริญปัญญาโดยเข้าฌานไม่เป็นถึงนาทีสุดท้ายที่จะเกิดอริยามรรคอริยผลในทุกขั้นตอนตั้งแต่โสดาปติมมรรคจนถึงนรหัตมรรมจิตจะเข้าฌานของเขาเองนะจิตจะเข้าฌานของเขาเองยกเป็นคนซึ่งเดินปัญญาอยู่ในฌาน เวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ต้องถอยออกมาอยู่กับโลกก่อนนะไม่ต้องกลับมาอยู่กมามปรภูมิก่อนนะจีก็ไปตัดอยู่ข้างในได้เลยนะีน่เป็นพวกหนึง่งแต่รวมความก็คืออริยมรรคไม่เกิดอยู่ในจิตที่อยู่ในกามอย่างพวกเราอริยมรรคจะต้องเกิดอยู่ในรูปประภูมิหรืออรูปประภูมินะจะเกิดถือตรงนั้นไปล้างกันตรงนั้นเราะั้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติพอจิตเข้าฌานแลคราเนี้ยสติระลึกรู้อยู่ที่จิตนะไม่ได้เจตนานระลึก มันรู้เองเพราะมันไม่แส่สายออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและไม่แส่สายไปในความคิดมันก็หยุดรงที่จิตตรงเดียวสติอย่างลงที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั้นสมาธิเนี่ยเต็มสมบูรณ์ล้ตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติสมบูรณ์แล้วระลึกอยู่ที่จิตปัญญาสมบูรณ์แล้วเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตตรงนี้แหละจิตจะไหวตัวขึ้นมาสองสามขณะคือปลุงขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไร ไม่รู้ ugh, รว่าปรุงอะไรมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าปรุงอะไรจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปจะเห็นอย่างนี้เองเห็นเองถัดจากนั้นจิตจะรู้เลยมันไม่มีสาระนจิตมันจืดนะมันไม่เอาอีกแล้วแค่แค่เห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นพอเห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นสองสามขณะความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยรู้อย่างเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่ปรุงต่อนะจิตจะวาง พอมันวางแล้วมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตรู้ทวนกระแสเข้าหาธาตรู้วางจิตแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตรู้นั้ธาตรู้กับจิตนั่นแหละเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งแล้วจิตดวงเก่ามันดับไปจิตที่อยู่ในภพภูมิต่างๆมันดับไปมันทวนกระแสเข้าหาจิตที่เหนือภพเหนือภูมิทวนกระแสเข้ามาขณะที่มันปล่อยวางจิตดวงเดิมนะแล้วก็ทวนเข้ามาแต่ยังไม่ถึงธาตรู้คาบลูกคาบดอก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 ไม่ใช่พระอริยะเพราะยังไม่เข้ามาถึงธาตุรู้ไม่เข้าถึงพระนิพพานตัวธาตุรู้นั่นแหละเป็นตัวไปเห็นพระนิพพานตรงนี้นะเรียกว่าโคตรภูยานยานข้ามโคตรมีปัญญาข้ามโคตรข้ามโคตรโคตรจากโคตรไหนมาสู่โคตรไหนจากโคตรของปุถุชนมาสู่โคตรของอริยชนเพราะงั้นบรรลุมากผลแล้วนะเปลี่ยนโคตรนะ ในข้ามจากส ก, กุลของปุถุชนนะมาข้ามมาสู่อริยวงอริยโคดเรีอกหย่านข้ามโคดไม่ใช่ปุถุชนนะกําลังข้ามอยู่ไม่ใช่พระอริยะมีอยู่ขนาจิตเดียวแหละที่ข้าปลูกข้าบดอกประหลาดอย่อยางเงี้ยพอข้ามมาทวนเข้ามาถึงจิตแท้ถึงธาตุบินญนัธาธาตรู้แท้แล้วธรรมธาตุตัวนี้อริยมรรคก็จะเกิดขึ้น อาสวะกิเลสที่ห่อพุ่มจิตอยู่ยถูกอาสวะถูกอริยมรรคแหวกออกแหวกออกทำลายออกว่านะล้างกิเลสล้างในพริบตาเดียวในขณะเดียวนะวับเดียวเลยขาดเลยนะมันคล้ายๆเปิดสวิตไฟปั๊บสว่างวูบเดียวความมืดหายไปเลยนะในพริบตานั้นเลยเนะทิดจากจัตมน่นนะจะเห็นพระนิพพานอีกสองสามขณะนะเห็นไม่เท่ากันหรอก บางคนเห็นสองขนาบางคนเห็นสามขนาดถ้าพวกอินทรีย์กล้ามากๆเขาเห็นสามขนาดพวกอินทรีย์ยังไม่กล้ามากก็เห็นสองขนาเงินพระอริยะในภูมิทำรรอันเดียวกันนะระดับเดียวกันนะความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันความแตกฉานอะไรนี่ไม่เท่ากันเห็นพนิพพานนิพก็รู้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตา ที่พาดไม่เคยหายไปไหนอยู่ตต่หน้าต่อตานี้แหละแต่โง่เองไม่เห็นทำไมไม่เห็นมัวแต่เห็นดึกกามมัวแต่เห็นรูปประพบมัวแต่เห็นอรูปประพบจิตไม่รู้จักปล่อยตรงที่เขาปล่อยนะเขาข้ามเขาทิ้งละตรงโครตราพูยาที่จิตข้ามโคตรข้ามจากปุถุชนมาเป็นพระอริยะข้ามทิ้งตรงนี้มันทิ้งหมดเลยนะ มันทิ้งกรรมปรภูมิรูปประภูมิมารูปประภูมิทิ้งหมดเลยข้ามมาสู่อริยภูมิโลกุตตะละภูมิข้ามเองนี่พวกเราก็มีหน้าที่ภาวนาให้มันพอเท่านะั้น่หละถ้ามันพอเมื่อไหร่มันก็ข้ามโคตรไปเปลี่ยนสกุลนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลเดิมทางโดยสมมติบัญญัติก็เป็นนามสกุลเดิมโดยปรมามัดแท้ๆก็ไม่ใช่ลวนะวถ้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้า งันพูะพุทธเจ้าเวลาท่านพูดถึงพระริยะน่ท่านจะบอกลูกของเราอย่างนางวิสาขานนี่ก็ลูกเราอนาแาทปินทิกะก็ลูกเราทำไมมีเราด้วยเราโดยโวหารพูดให้คนอื่นรู้ความจริงเป็นเนื้อแท้อันเดียวกันเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันจิตจะทํานอันเดียวกันค่อยภาวนาไปเป็นลาดับลาดับนันต้องตัดสี่ผลตัดครั้งที่หนึ่งนะพอจิต ออกจากอริยผลที่เห็นนิพพานสองสามขณะแลจิตจะกลับมาสู่กามาวัาจเรปุ่มอย่างที่พวกเราอยู่นี้แะจิตจะถอยออกมาเลยนะถอยออกมาไม่จะทวนกระแสพิจารณาว่าเมื่อกี้ล้างอะไรไปแล้วอะไรยังอยู่อะไรล้างแล้วทวนเข้าทวนออกไปพิจารณานี่พวกเราบางคนนะต้องระวังนะอยู่ๆนึกว่าเป็นพระอริยะไม่มีกระบวนการที่อริยามรรคเกิด อยู่ๆก็นึกเอาเองได้แล้วได้แล้วงั้นต้องดูจริงๆนะสังเกตกิเลสให้ดีนึกว่าได้มากได้ผลนะดูกิเลสให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเองนะอย่าให้จิตไปติดอยู่ในพบใดพบหนึ่งโดยเฉพาะ อ, อย่าให้จิตไปติดในรู ป, ประพบอรูปะพ บ, ะพ บ, ะพบติดในความนิ่งความว่างนะต้องคลองจิตนิ่งๆอย่านิ่งแล้วบอกดูมาสมวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีกิเลสเลยโทษเขาอยู่ตรงนี้กันเป็นกลับๆไม่มกิเลสไม่โผล่ ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าล้างกิเลสได้หรือไม่ได้นะกลับมาอยู่ในกามาวะเจระภพเนี่ยมาใช้จิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่บางคนจิตเป็นพระอริยะ์นึกว่าเป็นพระอริยะบอกสิ่งแรกเลยต้องดูก่อนนะจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในหรือเปล่าถ้าจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ไม่มีกิเลสก็เชื่อไม่ไดนะ้เพราะว่ากิเลสหยาบมันไม่มีโอกาสเกิด ถ้าจิตมันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ติดอยู่ในฌานสมาบัติอันใดกิเลสจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็รู้เองนะเพราะฉนั้นเราไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองเรานะว่าใครได้ภูมิธรรมชั้นไหนชั้นไหนเราเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้าหลักสูตรพระุทธเจ้าก็คือท่านจะมาดูว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองถ้าดูตรงนี้นะเราจะพิสูจน์ตัวเองได้บินยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมารับรองเรา งั้นอยากรู้ว่าเราเป็นธาริยะจริงหรือเปล่านะเอย่ประคองจิตให้นิ่งให้เฉยอยู่นะปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติเลยนะดูซิกิเลสจะเกิดไหมงั้นสิ่งสําคัญนะเราไม่ใช่ว่าใครมารับรองเรานะนึกว่าได้แล้วก็ไปดูกิเลสเอามีจริงหรือเปล่านะต้องดูตอนมันเผลอตอนมันเผลอนะนั้นไม่ได้ควบคุมไม่ได้ระมัดระวังตัวกูมยังโปรอยอยีกไหม หรือว่าเป็นพระอระหันต์แล้วไปดูให้เดี๋ยจิตอยู่ในภพใดภพหนึ่งหรือเปล่าถ้าจิตยังอยู่ในภพใดภพหนพึ่งไม่ใช่หรอกอย่างจิตไปอยู่ในความว่างจะ ต, ต้องอยู่ในว่างคิดว่าว่างเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่หรอกพระอระหันต์ไม่ได้อยู่ที่ใดะไม่ได้อยู่ที่หนึ่งที่ใดงั้นไม่ใช่ว่าไปอยู่แบบนี้ถึอจะเป็นไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นแต่จิตท่านไม่มีอะไรยอมได้เท่านั้นเองงั้นเราภาวนานะหัดไปเรื่อย